คุณผู้ฟังคะเรื่องลี้ลับเล่าขานตำนานพื้นบ้านมีมาตั้งแต่อดีตเรื่องราวเก่าแก่ที่เล่าสืบทอดกันต่อมาเป็นเรื่องของอำเภอลับแลหรือเมืองลับแลค่ะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตเป็นชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อปีพุทธศักราช2444นะคะ ความเป็นมาของคำ ว, ว่าลับแลนั้นตามข้อสนิฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอยู่ในบริเวณเมืองลับแลปัจจุบันนั้นอพยพมาจากอาณาจักรเชียงแสนโบราณค่ะหรือที่เรียกว่าโยนกนาคพันธ์ว่าเดิมชาวเมืองแพร่หรือว่าเมืองน่านนะคะได้หนีค่าศึกแล้วก็หนีความเดือดร้อนมาซุ่มมาซ่อนตัวตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้เนื่องจากเป็นที่ป่ารกหลบซ่อนตัวง่ายแล้วก็ภูมิประเทศนะคะ เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนขึ้นที่ต่ำบ้างที่สูงบ้างนะคะคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศก็จะหลงทางได้ง่ายๆค่ะอาเภอรับแลนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วนะคะยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองล้านนาไม่ว่าจะเป็นผ้าตีนจก ไม้กวาดและก็เป็นแหล่งปลูกลางศาสตร์และก็ทุเรียนหลงหลินละแแปลด้วยนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่และก็เป็นชุมชนของพวกละว้าและก็ขอมมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานค่ะเพราะว่าได้มีการขุดพบกลองมโหะทะลึกและก็พระสำริดได้ในบริเวณดังกล่าวนะคะเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายลงคนไทยก็ได้เข้ามาครอบครอง เมืองลับแปลเป็นอำเภอเล็กๆค่ะการเดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวกเส้นทางก็ค่อนข้างจะโคตเคี้ยวทาให้คนที่ไม่ค่อยชำนาญทางพลัดหลงได้ง่ายๆจนได้ชื่อว่าเมืองลับแปลซึ่งก็แปลว่ามองไม่เห็นค่ะมีเรื่องเล่ากันนะคะว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปเมืองลับแปล แล้วก็มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะว่าครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่าผู้หญิงเหล่านี้นะคะก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมืองค่ะ ด้วยความสงสัยผู้ชายคนนี้ก็เลยแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกตอนบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็หาใบไม้ของตนที่ซ่อนไว้ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับตาไปนะคะ ก็จะเหลือแต่ผู้หญิงอีกคนนึงค่ะที่หาใบไม้ของตัวเองไม่พบเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาแอ บ, บไปหยิบมานางก็วิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็คืนใบไม้ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือขอติดตามนางไปด้วยเพราะว่ามีความปรารถนาจะได้เห็นเมือง ล, ลับแลผู้หญิงคนนี้ก็เลยยินยอมค่ะนางก็เลยพาผู้ชายคนนั้นเนี่ยเข้าไปในเมืองด้วยซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นนะคะว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิง ผู้หญิงคนนี้ก็เลยอธิบายให้ชายหนุ่มได้ทราบนะคะว่าคนในหมู่บ้านล้วนเป็นคนดีมีศีลธรรมถือวาจาสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปซึ่งผู้ชายส่วนมากมักจะไม่ค่อยรักษาสัตว์จากวาจาจึงต้องออกจากหมู่บ้านไปกันหมดแล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางค่ะชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวของนางก็เลยขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็เลยยินยอม แต่ให้ชายหนุม่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุม่มคนนี้ก็เลยได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นชาวเมืองรับแลค่ะจนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนนะคะวันหนึ่งค่ะขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุม่มผู้เป็นพ่อก็เลี้ยงลูกอยู่ลูกน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อก็เลยปลอบว่าแม่มาแล้ว มารดาของภรรยาได้ยินขขาวก็โกรธมากค่ะที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกเรื่องนี้ให้รู้ฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากค่ะที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์นางบอกให้เขาออกไปจากหมู่บ้านซะแล้วนางก็จัดหาย่ำใส่สเสบียงอาหารแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นให้สามีไปพร้อมทั้งขุดเอาหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจํานวนมากจากนั้นนะคะก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองรับแลค่ะ ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยฮะก็เลยจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขาก็มีความรู้สึกนะคะว่าถุงย่ามที่ถือมาเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หนทางก็ไกลามากก็เลยหยิบเอาขามิ้นที่ภรรยาใส่มาให้เนี่ยทิ้งซะจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดค่ะรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามมาให้ แต่เขาทิ้งไปเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแง่งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาดูปรากฏนะคะว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้งแท่งชายหนุ่มก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็เสียดายจึงพยายามย้อนไปหาขมิ้นนะคะที่ทิ้งไว้ ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นนะคะได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้วล่ะค่ะและเมื่อขุดดูนะคะก็พบแต่งแง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปแล้วก็พยายามหาทางกลับไปเมืองลับแลแต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดนะคะก็ต้องละความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตัวเองตามเดิมนะคะ คุณผู้ฟังคะเมืองลับแแปลเดิมนั้นสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนในสมัยสุโขทยัยก่อนร้างลงในช่วงหลังดัง การพบหลักฐานปฐมภูมิก็คือศิลาจารึกซึ่งขุดได้ที่หน้าวิหารวัดเจดีย์คีรีวิหารมหาอมาตตรีพระยานครพระรามส่งเข้าหอสมุดวชิระยานเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2473ศาสตราจารย์ด็อเตอร์ประเสริฐณ น, นครได้ให้ความเห็นนะคะว่าเนื้อหาจารึกน่าจะกล่าวตั้งแต่ครั้งเมื่อพระยาลีไทยขึ้นสวยราช ประกอบกับเนื้อหาในศิลาจารึกการสถาปนาพระบรมธาตุโดยพระยาลีไทยสอดคล้องกนันนะคะกับลักษณะของฐานพระเจดีย์วัดเจดีย์คีรีวิหารที่มีเข้าโครงของฐานเขียง3ามชั้นแบบสุโขทยัยศิลาจารึกดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยนันค่ะว่าที่ตั้งเมืองลับแลในปัจจุบันเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยก่อนจะถูกทิ้งร้างและมีการอบพยพเทครัวชาวเชียงแสนมาตั้งรกรากเพิ่มเติมใน ช่วงหลัคะเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของนารีผลหรือว่ามกคลีผลค่ะเป็นพืชแสนวิเศษที่มีรูปร่างเป็นหญิงงามและพบได้ตามป่าหิมะพานซึ่งเชื่อกันนะคะว่านารีผลจะมีขั้วลูกอยู่ด้านบนสีสษะรูปร่างของผลสดสวยงดงามคล้ายกับผู้หญิงที่มีหุ่นดีแล้วก็มีผิวพรรณที่สวยงามนะคะ ความเชื่อตามตำนานค่ะเล่าว่าเมื่อหลายหมื่นปีก่อนที่ผ่านมาในครั้งที่พระเวสสันดรและก็พระนางมัตซีพร้อมกับบุตรอีกสองคนคือชาลีกุมารแล้วก็กันหาชินากุมารีนะคะได้ถูกขับไล่อพยกจากพระนครพวกเขาก็ได้เดินทางเข้าสู่ป่าหิมพาน์แล้วก็ต่างพยายามบำเพ็ญเพียรอยู่หน้าที่แห่งนั้นเชื่อกันค่ะว่าในป่าหิมพาน์มีสัตว์ป่าร้ายกาจอยู่นับไม่ถ้วน แต่ว่าสัตว์ป่าที่ร้ายกาจทั้งหลายนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระเวสสันดรด้วยกันทั้งสิน้นก็เลยทําให้สัตว์ป่าเหล่านั้นกลายเป็นมิตรและก็คลายความดุร้ายลงค่ะส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกเหนือจากสัตว์ป่าอย่างพวกดาบทฤศีนักสิทธิวิทยาธรหรือคนทันก็ล้วนแต่อาศัยอยู่ตามปกติทั่วไป อยู่มาวันหนึ่งค่ะพระนางมาสัสสีผู้มีรูปชมงดงามได้ออกหาอาหารตามลำพังเพื่อประทังชีวิตนะคะพระนางก็ได้ไปปรากฏกายให้พวกนักศิษย์วิทยาธรรวมถึงฤาษีได้มาพบเจอจนในที่สุดค่ะผู้ทรงศีลทั้งหลายก็เกิดตะบะแตกเพราะว่าความงามของนาง พระอินนะคะซึ่งจำแรงแปลงกายมาเป็นเท้าสักกะเทวราชเริ่มมองเห็นถึงรางร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยพยายามหาวิธีป้องกันโดยทำกายเนรมิตต้นไม้วิเศษขึ้นสิบหต้น ก่อนจะทรงวางไว้รอบทิศก่อนจะถึงดินแดนอันเป็นที่อาศัยของพระเวสสันดรและก็นางมัซซีค่ะต้นไม้วิเศษนี้นะคะออกผลมาแปลกประหลาดกว่าต้นไม้โดยทั่วไปเพราะว่าผลของมันจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์ผู้หญิงและเมื่อผลสุกเต็มที่ก็จะมีรูปร่างสวยงามราวกับสาวแรกรุ่นเลยล่ะค่ะแล้วก็มีผิวพรรณหรือว่าหน้าตาที่สวยงามปานเทพธิดาลงมาจุติซึ่งต่างก็เชื่อนะคะว่าแต่ละผลก็คือเทพธิดา1 น, นาง หรือเมื่อใดที่ต้นนารีผลออกดอกออกมาค่ะก็เปรียบเหมือนเกิดเป็นวิมานแห่งรุกขะเทพธิดาขึ้นซึ่งความสวยงามของผลนารีผลแต่ละผลก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่บุญกรรมของเทพธิดาแต่ละนางนะคะแล้วก็เทพธิดาที่ลงไปจุติที่นารีผลก็ล้วนไปตามชะตากรรมของตนเองค่ะ ด้วยความงดงามของต้นนารีผลจึงส่งผลให้เหล่านักสิทธ์แล้วก็วิทยาทรตบะแตกได้หากจิตใจของพวกเขายังไม่เข้มแข็งพอซึ่งก็มีบางรายค่ะที่ได้เสพ บ, บำเรอกับนารีผลจนเมื่อตบะแตกนะคะก็ทำให้ฤทธิ์ที่มีอยู่เสื่อมลงไม่สามารถเหาะต่อไปได้ทำให้หมดโอกาสที่จะได้พบกับพระนางมัตสีอีก หากต้องการจะเดินทางต่อไปก็จำเป็นจะต้องบำเพ็ญเพียรมาอีกครั้งเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นซึ่งต้นนารีผล น, นี้ จึงสามารถป้องกันไม่ให้ใครคนไหนเข้าไปล่วงศีลกับพระนางมัซีได้เลยนะคะแต่ว่าภายหลังที่พระเวเสสันดรและก็พระนางมัซีเสด็จเข้าเมืองไปแล้วต้นนารีผลที่ยังเคยมีก็ยังคงอยู่เช่นเดิมตลอดไปแล้วก็ยังคงมีดอกหอมกลุ่นอยู่บนต้นแม้ว่านารีผลจะหมดอายุขายหรือว่าเหี่ยวเฉาลงค่ะแล้วก็ร่วงหล่นลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าเป็นลูกใหม่ขึ้นมาแทนที่อย่างต่อเนื่อง ต้นนาริผลนะคะสามารถใช้เป็นที่ทดสอบจิตใจของฤาษีได้ว่ากันว่านะคะฤาษีบางตนที่บำเพ็ญเพียรจนตะบะแก่กล้าแล้วก็ไร้กิเลสจะเดินทางมาที่ต้นนาริผลเพื่อทดสอบจิตตนโดยพวกเขาจะเหาะมาที่ต้นนาริผลแล้วก็จ้องมองนาริผลเหล่านั้นดูนะคะว่าตัวเองจะอดทนได้หรือไม่หรือบางครั้งนะคะก็อาจจะพา หรือสีนะคะที่เป็นลูกศิษย์มาทดสอบระดับจิตของตัวเองซึ่งก็สามารถใช้ต้นนารีผลเป็นเครื่องมือในการฝึกควบคุมจิตได้เช่นกันค่ะ แต่ว่าก็ยังมีพวกนักศิ์วิทยาธรที่มักจะเหาะมาเพื่อเก็บนารีผลกลับไปเฉยชมแล้วค่อยฝึกจิตใหม่ภายหลังก่อนจะกลับมาอีกครั้งก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้นนารีผลหรือว่ามะกนารีผลก็เลยกลายเป็นที่โปรดปรานของสัตว์วิเศษรวมถึงวิทยาธรทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะยังไม่หมดการราคาดังนั้นนะคะทําให้นารีผลส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะแห้งตายขาดต้นเพราะว่าก่อนที่จะหมดอายุ ข, ขายของมันก็มักจะมีเทวดาเอ๋ยสัตว์ วิเศษเอวิทยาธรเอยฤษีดาบทเอยมาเก็บไปเชยชมซะก่อนแล้วนะคะ กล่าวถึงเรื่องราวในอัตถกถาที่เกี่ยวข้องกับนารีผลตอนหนึ่งค่ะว่าเมื่ออดีตการในครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตขึ้นครองราชปกครองพระนครพารณาสีก็ได้มีพระโพธิสัตว์มาบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์นากาศิกรันะคะเมื่อพระโพธิสัตว์เติบโตขึ้นก็ได้ร่ำเรียนศัพทศิลปศาสตร์ก่อนที่จะบวชเป็นฤาษีโดยมีมู ล, ลผลในป่าไว้อย่างชีพค่ะ ครั้งหนึ่งเกิดมีแม่เนื้อตัวหนึ่งไปเคี้ยวกินหญ้าในสถานที่ที่พระดาบทปัสสวะ ทำให้ย่านะั้นเนี่ยเจือปนไปด้วยน้ําเชื้อซึ่งยังผลให้แม่แมเนื้อนะคะเกิดมีจิตปฏิพัติรักใคร่ในพระดาบทแล้วก็ตั้งคันขึ้นทําให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่เนื้อตัวนี้ก็คอยดูแลอยู่ไม่ห่างจากอาสมไปไหนเลยไม่นานต่อมาค่ะแม่เนื้อก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นมนุษย์ซึ่งพระมหาสัตว์ก็ทรงรู้เหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงได้ทรงรับเลี้ยงถายรกผู้นั้นเอาไว้ด้วยความรักใคร่ในฐานะที่เป็นบุตรของตัวเองพร้อม กับตั้งนามนะคะว่าอีสิสณ์คากูมานนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปอิสิสิงข้ากุมารเติบใหญ่ขึ้นพระมหาสัตว์จึงทรงบวชให้บุตรชายและได้พาดาบทตกุมารไปพบนารีวันหรือว่าป่านารีผล น, นั่นเองค่ะพร้อมกับสอนบุตรของตัวเองว่าลูกรักเหล่าสตรีที่ก็เป็นเหมือนเช่นกับดอกไม้ที่มีอยู่ในป่าหิมพานนี้สตรีทั้งหมดย่อมมีผลทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในอานาจเกิดความพินาศชิบหายอย่างใหญ่หลวงเจ้านั้นไม่ควรที่จะไปหลงอานาจของสตรีพวกนี้ จากนั้นก็ทำการกิริยาเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่อยู่เบื้องหน้าส่วนอิสิสิงคดาบทก็ประลองชาญกีฬาอยู่ในฮิมะวันตะประเทศจนได้เป็นผู้ที่มีตบะแรงกล้านะคะ ครั้งหนึ่งเมื่อพี่พพของเท้าสกกาเทวราชสันครอนด้วยพระเดชของพระดาบทค่ะเท้าสกกาเทวราชได้สงคร่ครวนและเห็นว่าพระดาบทผู้นี้น่าจะเป็นบุคคลที่ทำให้ท่านหลุดจากการเป็นเท้าส ก, ก่าได้จึงต้องการทำลายศีลของพระดาบทโดยการส่งนางอับสอนคนหนึ่งไปให้เนื่องจากว่าทรงพิจารณาแล้วนะคะว่าเหล่าเทพบริจาริกาจานวนสองโกดครึ่งทั่วทั้งหมดเนี่ยคงจะมีแต่นางอับสรที่มีนามว่า อลัมผู้ษาเพียงผู้เดียวที่จะทำลายศีลของพระอิสิสิงขดาบทให้แตกได้ซึ่งสิ่งที่สาวสะอาดเท้าสกะเทวราชคาดการเอาไว้ก็บังเกิดความสำเร็จค่ะเมื่อนางอลัมผู้สาเทพอับสอนได้เข้าไปปรากฏตัวให้อิศิสิงขดาบทได้เห็นนะคะซึ่งในขณะที่อิศิสิงขดาบทได้ประกอบความเพียรในตอนกลางคืนเสร็จสิ้นก็ลงไปส่งน้าแล้วก็ทาอุทกกิจเสร็จ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรื่องของพระเกจิต่างๆนะคะที่มีปฏิปทาดีแล้วก็นิทานปรมปราในช n แนลพระเจอผียังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อเวลาอัปเดตเรื่องราวต่างๆจะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ